ก็เป็นวันแรกนะของเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ก็เริ่มต้นกันวันนี้แหละเวลานึกถึงสงกรานตนะ์หลายคนก็รู้สึกถึงความชุ่มชื่นเย็นกายเย็นใจ ท, ท, ทั้งๆที่เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในหน้าร้อน เป็นช่วงที่ร้อนเอามากๆนะแต่ความรู้สึก ข, ของคนจํานวนมากมันเป็นความเย็นกายเย็นใจที่เย็นกายก็เพราะมีการรดน้ํามีการสาดน้ำร้อนๆพอเจอน้ำนะํำก็รู้สึกเย็นอันนั้นคือเย็นกายนะ ได้เย็นใจเกิดขึ้นเพราะอะไรนะก็เกิดขึ้นเพราะน้ำใจน้ำใจของความเป็นมิตรความเมตตีรวมทั้งน้ำใจที่เกิดจากการที่ได้ทำร่วมกันทำความดีทำความดีในวันสงกรานต์ก็ทาได้หลายอย่าง ตั้งแต่การใส่บาตรการเลี้ยงพระหรือว่าการที่ได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ลดน้ำดำหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้มันเป็นการแสดงความกตัญญู่แสดงความรักความคารวะต่อผู้ใหญ่ ทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ไม่มีชีวิตแล้วที่จากไปแล้วก็ทำบุญให้ท่านหรือว่าไปทำความสะอาดโกรธหรือทาตุนะที่บรรจุอัฐิของท่านอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ได้ทำความดีกับผู้ที่เรามีความผูกพันด้วย ความกตัญญูก็ดีหรือว่าการแสดงความเมตตาก็ดีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นบางคนก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้นะกราบท้าพ่อแม่บุปการีหรือว่าได้ขอคมาขอให้ท่านนะให้อโหสิกรรมให้ลูกบางคนก็มีความขุนค้องมองใจกับพ่อแม่แล้วก็ไม่รู้ว่า จะชำระความรู้สึกผิดความไม่สบายจนนใจนั้นได้อย่างไรนะก็ได้อาศัยช่วงสงกรานนี้แหละอาศัยประเพณีนี่แหละนะที่ช่วยชำระจิตใจบางคนก็ได้ถือโอกาสบอกรักท่านไดนะ้กราบเท้าท่านหลายคนนะจะรู้สึกว่าอยากจะบอกรักพ่อแม่แต่ว่า ไม่คุ้นเคยไม่สะดวกปากไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะไม่เคยมีทรรมเนียมของบ้านตัวเองมาก่อนหลายคนอ่าัยความกล้าในการที่จะไปบอกรักกับท่านการบอกรักคนที่มีบุญคุณกับเรามากๆนี่บางทีต้องอาศัยความกล้านะเพราะว่าไม่คุ้นเคยหรือว่าสุก ข, ขัดเคือที่จะทำ ก็แดดสายประเพณีเทศกาลอย่างนี้แหละในการที่จะบอกความในใจกับท่านบอกรักท่านรวมทั้งของคมาท่านบางทีการขอโทษก็เป็นเรื่องที่พูดยากยิ่งพอมีอายุแล้วพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะขอโทษแม้กระทั่งพรอแม่นี่เป็นเรื่องยากมากแต่มาพูดได้ก็เพราะว่าเคยรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอได้ทําแล้วก็สบาย ที่จริงถ้าได้ทําทันทีนะมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่บางคนนี่ก็ต้องอาศัยเทศกาลอาศัยพิธีกรรมอย่างเช่นวันสงการานต์แบบนี้้คนที่ฉลาดก็จะชโชว์กาสทําใช้พิธีกรรมเหล่านี้ใช้เทศกาลเหล่านี้เพื่อที่จะได้บอกความในใจที่สําคัญกับคนรักนี่พอทาแล้วใจก็สบายนะเกิดความเย็นใจขึ้นมา อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์อย่างหนึ่งของอประเพณีสงการซึ่งทำกันแต่ดั้งแต่เดิมแต่เดี๋ยวนี้นก็กลายพันไปกลายเป็นเรื่องความสนุกสนานหรือว่าบางทีก็สนุกสนานเกิดเลยจงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่พอใจเกิดความแค้นเคืองขึ้นมาแทนที่จ ไ, ได้ความสงบใจก็กลายเป็นความรุ่มร้อนแต่ถ้าว่าเรารู้จักใช้ เทศกาลที่เป็นประโยชน์อย่างเทศกาลสงกรานต์มันก็ได้ทั้งความเย็นกายแล้วก็เย็นใจเย็นกายเพราะ น, าน้ำเย็นใจเพราะได้ทำความดีจะว่าไปแล้วนี่ไม่มีอะไรที่ทำให้จิตใจเราเย็นได้ท้าก็ธรรมะหรือการทำความดีอันธรรมะนี่นอกจากจะช่วยทำให้จิตใจเย็นฉ่ำแล้วนะอย่าง ทำหน้าที่เหมือนกับน้าคือช่วยทําให้เกิดความสะอาดน้ำนีมันมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นทําให้เย็นแล้วก็ชําระให้สะอาดด้วยธรรมะนี้ก็สามารถที่จะทำให้ใจเย็นแล้วก็ชําระใจะให้สะอาดสะอาดจากอะไรนะสะอาดจากความทุกข์ความกังวล ความโกรธความรู้สึกผิดหรือผู้รลงๆคือสะอาดจากกิเลสสะอาดจากความเป็นแกตัวถ้าว่ายังมีกิเลสยังมีความเป็นแตัวหรือยังมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่จิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็ร้อนรุ่มไม่มีอะไรที่จะชำระใจได้ดีกว่าธรรมะ บางคนไม่ได้เห็นอนิสงฆ์ธรรมะก็ไปหายังอื่นมาช่วยทำให้จิต ใ, ใจคลายความเครียดความกังวลเช่นไปหาความบันเทิงไปฟังเพลงไปดูดหนังไปคุยกับเพื่อนหรือว่าหนักกว่านั้นคือไปกินเหล้าพึ่งยาเสพติดหลายคนก็หวังจะให้จิตใจมสบายผ่อนคลาย แต่ว่าสิ่งที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันมีแต่จะทำให้เขามีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเข า, เขาหันกลับมาใช้ธรรมะมันก็จะช่วยทาให้จิตใจเย็นทำให้จิตใจหายหม่นหมองช่วยชาระใจให้สะอาดได้ความว่าธรรมะนี้ก็มีความหมายกว้างนะ เช่นความเมตตากรุณาน้ำใจไมตรนะีการรู้จักให้อภัยหรือว่าการมีสติรู้สึกตัวไม่ปล่อยให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำจริงๆการทำบุญหรือการทำความดีเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจุดหมายสุดท้ายก็คือการ ชำรจจะใจให้สะอาดด้วยการปล่อยวางปล่อยวางความมีแกตัวปล่อยวางในความยึดติดในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราทำความดีหรือทำบุญให้เป็นนี่เริ่มตั้งแต่การให้ทานเนี่ยมันก็ช่วยชำรจจะใจเราให้สะอาด ทำให้ความเปนกับตัวลดน้อยถอยลงทำให้อัตราตัวตนเบาบางลงได้แต่ว่าถ้าเร า, าทำบุญกันไม่เป็นการชาระใจให้สะอาดก็อาจจะได้ผลน้อยหรือว่าทำให้เกิดความหมองมัวมากขึ้นก็ได้เรื่องแต่การให้ทานเนี่ยถ้าเรา ให้ทานเป็นเนี่ยนะเราจะให้ทานโดยที่มุ่งประโยชน์กับผู้รับนะเราจะไม่ได้หวังประโยชน์อะไรที่จะเข้าตัวเลยโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นเรื่องห ย, ยาบๆเช่นวัตถุความมั่งมีความร่ำรวยหน้าตาชื่อเสียงแลนเดียวนี้การทำบุญคนจานวนมากนี่ทำโดยคิดถึงประโยชน์ อันจะเกิดกับผู้อื่นเนี่ยน้อยนะแต่ว่านึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวเองมากทําำบุญพอยากจะรวยอยากจะได้หน้าได้ตาได้ชื่อเสียงได้ประสบความสำเร็จในการงานต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันจะได้อา น, นิสงส์น้อยเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดนะกิเลสตัณหาลงไปเลย มากลับเพิ่มผูนมากขึ้นโดยซ้เพระพุทเจ้าตรัสว่านะฐานที่มีอ น, นิสงส์งน้อยนะคือฐานที่ให้ด้วยใจที่มีเยอะใหญ่ให้ด้วยจิตที่ผูกพันหรือว่าหวังสั่งสมบุญหรือมุ่งสวยสุขในภพหน้าให้ด้วยใจที่มีเยอะใหญ่หมายความว่ายังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราถวายอาหารสลวงพ่อหลวงตาหรือว่าถวายจีวรท่าน หลายคนก็คอยดูว่า ي, ท่านจะฉันอาหารของเราไหมท่านจะห่มจีวรของเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ฉันหรือไม่หม่มก็จะเป็นทุกข์ที่จริงเพียงแค่ใจที่รู้สึกว่าหรือมองว่าเนี่ยนั่นยังเป็นอาหารของเรานั่นยังเป็นจีวรของเราทำไมหลวงพ่อไม่ฉันอาหารของเราทำไมหลวงพ่อไม่ห่มจีวรของเราอันนี้ก็แสดงว่ายังมีเยื่อใยในของหรือทานที่ถวายอยู่ ยังไม่สลัดไปอย่างสิ้นเชิงนะคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือยังไม่เสด็จน้ํายังมีความวเป็นของเราอยู่จริงๆถ้าถวายไปแล้วก็ต้องเป็นของท่านไปนแล้วไม่ใช่ของเราท่านจะเอาไปทําอะไรจะฌันหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วแต่ว่าหลายคนเวลาให้ทานนิจใจก็ยังมีเยื่อใยในของที่ถวายอยู่ เดี๋ยวมีความวเป็นของเราอยู่เวลาเราให้ทานเราต้องนะต้องสลัดจริงๆนะสลัดทั้งด้วยกายแล้วสลัดที่ใจด้วยคือไม่ยึดเป็นของเราอีกต่อไปเป็นของท่านไปแล้วนะไม่ใช่ของเราบางคนก็ให้ทานเพราะหวังสั่งสมบุญหวังสั่งสมบุญในความหมายที่ว่าเมื่อก่อเราสะสมคู ป, ปองมันนะไปห้าง ไปเซเว่นเขาก็ให้บัตรสมนาคุณมาให้สแต็มมาแล้วก็สะสมเอาไว้สะส ม, มไว้เพื่ออะไรเพื่อจะไปแลกไปแลกของที่มีราคาสูงราคามากกว่าหลายคนก็ทำบุญแบบนั้นนะคือเพื่อสะสมบุญจะได้เยอะๆแล้วก็หวังว่าจะได้ผลตอบแทนไม่ ช, ชาินี้ก็ชาติหน้าเช่นไปเกิดเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยนะอันนั้นก็ ถือว่าเป็นทานจริงได้ได้อนิอนนสงส์น้อยหรือบางส่วนทสุขในพบหน้าก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วนะว่าให้ทานพี่ใดไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดในสวรรค์มีชาตนะิไปเกิดเป็นเศรษฐีร่ำรวยอันนั้นไม่ใช่เป็นวิสัยของของบัณฑิตนะหรือว่าผู้ายทำอย่างแท้จริงตรงนี้พระส า, ารีบุตรก็เคยพูดไว้นะว่า บัณดิตเมื่อให้ทานก็ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังอุปทิสุขอุปทิสุขก็คือโล ก, กีสุขก็คือสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทอง เ, อเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าความสัมพันธ์ฉันปุถุชนบัณดิตเมื่อให้ทานไม่ได้ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังอุปทิสุขหรือหวังพบใหม่ พบหมายเดนที่นี้ก็คือไปเกิดเป็นในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรือว่าได้ไปเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีกินมีใช้อะไรทำนองนั้นนั่นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตแต่ว่าบัณฑิตให้ทานเนะพราะหวังเพราะมุ่งขจัดกิเลสและไม่เกิดการไม่เกิดหรือไม่ก่อพบหวังขจัดกิเลสก็หวัง กร จ, จัดความนั่นแต่ตัวความยึดในตัวกูของกูหรือว่าอัตราตัวตนนั่นเองไม่ก่อเพ่อคือมุ่งนิพพานไปเลยไม่คิดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนหรือไปเกิดเป็นเทวดาทั้งสิน้นเกิดเป็นจักรพรรดิคนร่ำคนรวยก็ไม่เอาแต่ว่ามุ่งที่พระนิพพานคือการไม่เกิดอีก นิพพานนี่ก็เข้าถึงได้ก็เพราะการลดการละการสละวางอย่างสิ้นเชิงนั่นเองเอย่างจตตาวาเนี่ยถ้าให้ทานเป็นนะก็จะมุ่งประโยชน์กับผู้รับแล้วก็ปล่อยวางไม่เอาละรเลยที่จะเข้าตัวหรือว่าถ้าจะมุ่งก็มุ่งไปที่โน้นเลยนะพระนิพพานซึ่งเกิดจากการที่สละตัวตนอย่างสิ้นเชิง คนสมัยก่อนนี่ถ้าจะมุ่งหวังเหลือทิฏฐานก็มุ่งจิตนิพพานอย่างเดียวเลยนะเวลาใสาบ่บาตก็อธิษฐานนิพนธ์ปัปปจญภูโโตุอเป็นปัจจัยไปสู่พนิพพานไม่ได้หวังไม่ไอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้ถูกหวยแล้วขอให้มั่งมีแต่คนสมัยนี้เวลาอธิษฐานเวลาใส่บาตพระนี่นักบวชจะอธิษฐานนานขึ้นเรื่อยๆ ต่กอนปุ๊บเดียวก็เสร็จละเดี๋ยวนี้อธิษฐานครึ่งนาทีบางควรอธิษฐานเป็นนาทีเลยก็รู้ละแต่เป็นสิ่งที่เป็นความสุขทั้งโลกโลกที่อยากจะได้หรือที่พระสรัทว์บุเรียวว่าอุปัติสุขหรือโล ก, กียสุขที่เราให้ทานเป็นนะมันก็เป็นการฝึกจิตปล่อยวางไปในตัวด้วยปล่อยวางทั้งสิ่งของที่เราถวาย ต่อหน้าต่อตาเราคือไม่ยึดไม่ยึดมาเป็นของเราแล้วแล้วก็ปล่อยวางกิเลสตัณหานะที่อยากได้โน่นได้นีการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันนะการรักษาศีลนี่ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึงนะ่งบุญกิริยาก็มี 3. มคือทานศีลภาวนาการรักษาศีลก็เรารักษาด้วยจิตที่มุ่ง ผลัดขัดเกลียวรวมทั้งการปล่อยวางไม่ให้อยู่ในอำนาจไม่ให้จิตใจอยู่ในอำนาจของโลคโกรธหลงเพราะถ้าว่าถ้ามีโลคโกรธหลงครองใจเมื่อไหร่นะมันก็ผิดศีลศีลห้า น, นี้ก็พิจารณาดูเถอดนะมันเป็นเรื่องของการที่จะทําให้จิตใจนี้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธซึ่งจะนําไปสู่การฆ่า หรือว่าการหรือว่าโรกซึ่งนำไปสู่การลักขโมยตันหาที่นำไปสู่การปิดศีลโทสะที่นำไปสู่การใส่ร้ายการพูดทำหยาบหรือการโกหกเพื่อเขาได้เสีประโยชน์ก็วความหลงนะที่เกิดจากการดื่มน้าเมาสุรายาเสพติด ก, การรักษาศีลเนี่ยมันก็เป็นการฝึกให้เราเอาชนะกิเลสไม่ให้ใจนี้เข้ามา ถูครอบงำด้วยโลคโกรธหลงแต่แม้กระนั้นเนี่ยรักษาศีลไปกินเหล่ก็อาจจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้เหมือนกันนะโดยพอคนที่รักษาศีลทําได้ดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดความหลงตัวลืนตนไม่ว่าฉันประเสริฐนะกว่าคนอื่นฉันไม่กินเหล้าฉันประเสริฐกว่าคนกินเหล้านะบางทีไปด่าคนกินเหล้าสิกนะว่าเป็นคนโง่มีบางคนนะ เห็นคนกินเหล้าในร้านอาหารก็ไปด่าว่าเ้าโง่ไม่ได้ด่าต่อหน้าแต่ด่าให้เพื่อนได้ยินกันในวงเสร็จแล้วไปไปมามา ก, กลายเป็นขี้เหล้าซะเองเริ่มตัวจากการกินเบียร์ก่อนกินเบียร์กินเบียร์หลายขวดหลายกระป๋องพอมีคนมาทักว่าอา้าเคยว่าเ้าโง่ไม่ใช่เหรอก็ปฏิเสธว่าเนี่ยเบียร์นี้มันช่วยทําให้ จิตมันเคริบนะทางานได้ดีนะทำงานปเป็นศิลปะภาพวาดจะพอกินหนักเข้าเงินไม่ค่อยมีแล้วทีหลังก็เรียกแม่โขงมาเลยเสร็จแล้วก็ติดเหล้าจนตายพเพราะเหล้าอันนี้เรื่องจริงนะทีแรกไม่กินเหล้าก็ไปดูถูกคนกินเหล้าเสร็จแล้วตัวเองก็พลาดท่าเสียทีกลายเป็นคนขี้เหล้าแล้วก็ตายพเพราะเหล้าอาการถือสีนี่ถ้าเราไป เราทําได้ดีแล้วเราไปถือตัวถือตนไปดูถูกคนอื่นอันนี้ก็เท่ากับว่าปล่อยให้มานะมานะนี่เป็นกิเลสนะไม่ใช่ของดีเป็นความถือตัวถือตนให้มานะเข้ามาครองใจก็ะจะไม่มีความสุขนนะเพราะว่าคอยตําหนิคนนู้นคนนี้ถือศีลแป็ตําตหนิคนถือศีลห้าหรือว่าดูถูกว่าเขาถือศีล น, น้อยกว่าเรา บางคนก็รักษาสีก็เพื่อหวังจะได้ให้คนยกย่องนับถือว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมบางทีก็ต้องเพื่อที่ประกาศตัวว่าฉันเป็นคนมีสีก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวถ้าใส่เสื้อสีเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนั้นก็กิเลสแล้วลน่ะเนีเป็นการสร้างภาพถ้ายังยึด ต, ติดกับภาพลักษณ์ที่กิเลสมันปรารถนา ก็ถือว่ายัางไม่ปล่อยไม่วางกลับยึดติดมากขึ้นหรือว่ารักษาศีลเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นนนหรือว่าชาติ น, น่าจะได้ร่ำรวยมีผิวผพธฑ์ผ่องใสมีคู่ครองที่ดีอันนี้ก็ถือเป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นนะนไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญนะแต่ว่ามันได้บุญน้อยเพราะว่าไอ้บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหายไปจากกิเลส ท, ที่ที่ ปล่อยให้มันกอบกลุ่มใจจัว่าเป็นศิลปะปรามาตยอย่างหนึ่งศิลปะปรามาตย์ราะปรามานี่แปลว่า8เปื้อนไม่ได้แปลว่ารูปคร้ำ8เปื้อนด้วยอะไรแเปื้อนในตานาน้ำมณฑตทิไอ้มึงบางคนนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนนะถือศีลแปไปถือไปถือมากลายเป็นศีล8เปื้อนไปศีล8อริยะ ก, กับศีล8เปื้อนนี่ไม่เหมือนกันนะอะกับกริยาภายนอกดูเหมือนกันนะ แต่ว่าเจตนาหรือว่าจิตใจของคนถือสีนนี่บางคนถือสีนแล้วมีเจตนาที่มุ่งลดละจริงๆอันนั้นก็เป็นศีลแปอริยะแต่ถ้าถือเพื่ออยากได้นนท์ได้นี่ทั้งรูปธรรมหรือนามธรรมรวมทั้งชื่อเสียงภาพลักษณ์อันนี้มันกลายเป็นศีลแปเปื้อนได้คือ8ปเปื้อนด้วยกิเลสแเพื่อด้วยตัณหามานทิทิเราก็ต้องระวังถ้าเรารักษาศีล8อย่างฉลาด ก็จะยิ่งกินเลยก็จะยิ่งลดลงบางทีบางคนถือศีลแปดโดยไม่ประกาศให้ใครรู้เลยไปวัดกอไม่ได้นุ่งขาวห่มขา ว, ขาวแต่ว่าข้างในใจนี่ก็ผ่องแผ้วเพราะเพราะว่าไม่ไม่ต้องการปรารถนาประกาศตัวว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนอกจากการให้ทานการรักษาศีลจะเป็น เครื่องมือในการนะชารจจะใจให้สะอาดด้วยการปล่อยวางและนีภาวนาก็เช่นเดียวกันนะเพราะ น, นั่นสำคัญมากเลยถ้าภาวนาเป็นนะถ้าภาวนาไม่เป็นมันก็เกิดกิเลสครอบงมใจเหมือนกันเนะช่นไปดูถูกคนอื่นว่าไม่ภาวนานะฉันภาวนานะไม่ว่าจะทำในรูปใดก็าตามจะนั่งหลับตาหรือยกมือ แต่พอทันทีที่ไปดูถูกคนอื่นว่าไม่ภาวนานี่ยถ้าก็ว่าเปิดช่องให้กิเลสมันเข้ามาจู่โจมเล่นงานจิตใจแล้วเราไม่รู้หราเข้าภาวนาหรือเปล่านะถึงแม้เขาไม่ไม่ยกมือเขาไม่หลับตาเขาอาจจะภาวนาก็ได้เพราะภาวนามันทําได้หลายรูปแบบยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้ตัวในอิริยาบถเดินไปข้างหน้าคู่ยศ เดินเดินไปข้างหน้าถอยหลังหรือคู่เหยียดเคลื่อนไหวมีความสึกตัวประคองจิตให้มีความสึกตัวอยู่เสมอก็ภาวนาได้พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไปเลยว่าผู้ที่แม้ยืนเดินนั่งนอนแต่ทาได้มีความสติความรู้สึกตัวก็เรียกเป็นผู้ที่ทําความเพลียนเผากิเลสไม่ใช่ว่าจะต้องอเดินจงกรมลื้น นั่งหลับตาอย่างเดียวเราไม่รู้หรอกว่าใครภาวนาหรือเปล่าจากการเพียงแค่เห็นเข า, อ, าอยู่เฉยๆไม่ได้ทําในรูปแบบอย่างที่เราทําหรือวางทีภาวนาไปแล้วก็ทํำด้วยความอยากคืออยากได้นั่นอยากได้นี่เลยพราะความอยากอยากได้ความสงบแล้วปฏิบัติทำหลายคนทำแล้วเครียดเพราะว่า ตอนทานี่ก็อยากได้ความสงบเต็มที่ก็เลยไปบังคับจิตให้มันสงบไม่ให้คิดให้มันเพ่งอยู่กับลมหายใจปลายจมกูกให้มันเพ่งอยู่กับมือหรือกับเท้าที่กำลังเคลื่อนไหวเสร็จแล้วก็ทุกข์เสียเองนะเพราะว่าให้ความอยากนั่นแหละมันทำให้การภาวนาไม่ประสบผลมาลองวางความอยากลงไป เป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยๆแม้ว่าใจมันจะคิดลบใจมันจะคิดร้ายหรือคิดชั่วก็ดูมันไปไม่ต้องเสียอกเสียใจที่ว่าทําไมใจมันคิดแบบนั้นหลายคนติดภาพแล้วว่าตัวเองเป็นคนดีพอพอมาภานะวนาเพราะว่าความคิดที่ไม่ดีมันขุดขึ้นมาเยอะเหลือเกินเสียใจว่าทําไมฉันถึงคิดไม่ดีมากมายขนาดนั้น บางคนนึกกับผู้ว่าทําไมพอภาวนาแล้วเนี่ยจิตมันคิดไม่ดีเยอะแยะไปหมดไปโทษภาวนานว่าทําให้จิตคิดไม่ดีที่จริงจิตมันคิดไม่ดีมาตั้งตั้งแต่ในตะไลแล้วแต่ไม่รู้ไอ้ก่อนที่ภาวนาในจิตมันก็คิดไม่ดี เ, เช่นโกรธเกลียดอิจฉาแต่ว่าไม่สังเกตไม่รู้ตัวแต่พอมาภาวนามาฝึกมาฝึกดูใจ มันก็เห็นสิ่งที่เคยทําเป็นนิสัยแต่ไม่รู้ว่าเป็นว่าทำมาก่อนแล้วก็เสียใจไปโทษว่าเนี่ยที่คิดไม่ดียแ ย, แย่ๆไปหมดเพราะภาวนาที่ยังไม่ใช่แต่จริงๆถ้าภาวนาเป็นก็ไม่ทุกข์หรอกพอรู้ว่าเออมันจะคิดดีคิดชั่วก็ช่างมันไม่ได้ภาวนาเพื่อที่จะได้ให้ฉันเป็นคนดีแต่เพื่อให้มีเพื่อให้รู้ทันให้เห็นความจริงของกายและใจ แต่ถ้าเกิว่ายึดติดในความเป็นคนดีนะ่อจะภาวนาด้วยความทุกข์นะว่าทําไมถึงคิดไม่ดีมากมายขนาดนั้นหรืออาจจะคิดไม่ดีนิดนหน่อยหก็รู้สึกไม่พอใจเพราะคิดว่าเนี่ยคนดีอย่างฉันนี่ต้องคิดดีต้องคิดสะอาดไปหมดนะอันนั้นแสดงว่าไม่เข้าใจความจริงของใจใจมันวิจิมเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าเราจะคุมมันได้มันคิดไปได้สารพัด ใครบางที่เวลาฝันนี่มันฝันแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะมันก็ฝันเรื่องที่ไม่ดีฝันนะถึงในฝันก็อาจจะโรกรธเกลียดกราดเกลี้ยวกับผู้คนเห็นแต่ตัวก็ไม่เห็นมีใครทุกข์อะไรเ้นแต่ว่าบางคนที่ไม่พอใจเพราะทำไมฉันเป็นคนดีแต่ในเวลาในฝันทำมันคิดไปไล่ๆแบบนั้นนะ คนที่ทุกเพราะความฝันแบบนั้นนี่ก็เรียกว่างโง่นะแล้วก็เป็นความโง่ที่เจอไปด้วยความยึด ต, ติดด้วยคือยึด ต, ติดในความเป็นคนดีของตัวว่าาจะต้องคิดดีเลยหมดให้เวลาภาวนาก็ลองให้ให้กลับมาดูให้ฝึกดูใจนะว่าเราทาด้วยความอยากหรือเปล่าถ้าเจริญสติเป็นเจริญสติถูกเนี่ย ไม่ว่าคิดอะไรไม่ว่ารู้สึกยังไงก็แค่ดูเฉยๆคิดดีก็ไม่ได้โอบกอดอยากจะให้มันอยู่ไป น, น, นานๆคิดไม่ดีก็ไม่ใช่ผักสายมันจะเป็นความโกรธก็ดีจะเป็นความเสียใจก็ดีจะเป็นความอิจฉาพยาบาทก็ดีเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสะเทือนไหวอะไรนะไม่อยากไม่ได้คิดอยากผลักสายมันออกไปแต่ว่าก็ดูมัน ตามที่มันเป็นการทํานี้จะช่วยทําให้ใจปล่อยวางไปด้วยในตัวพอรู้ทันแล้วก็วางรู้ล้วก็วางรู้เราก็รู้เราก็วางไม่ว่าความคิดดีหรือคิดไม่ดีใจถ้าเจริญสติไม่เป็นมันก็ไปยึดนะความคิดดีก็ยึดความคิดไม่ดีก็ยึดทั้นที่อยากจะผลักใสออกไปแต่ยิ่งผลักใสก็เท่ากับยิ่งไปยึดมันเข้าไปใหญ่ ถ้าดูให้เป็นคือดูมันเฉยๆยอมรับมันใจที่ยอมรับมันตามที่เป็นจริงนี่สําคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าทํำด้วยใจที่อยากได้นะอยากได้ความสงบนะอยากได้คนในวิเศษนี่ทุกนะมีคนหนึ่งนะไปไปบวชไปตัดพ้อหลวงพ่อเฟืองหลวงพ่อเฟื่องโชติโก้นะท่านมรณาภาพไปแล้วผมภาวนามาต้องนาน ทำกรรมฐานมาต้องนานยังไม่เห็นได้อะไรเลยนะบนอย่างนี้หลวงพ่อท่านก็เลยพูดว่าเนี่ยให้ภาวนากรรมหรือกรรมฐานนี่เขาไม่ได้ทําเพื่อได้อะไรก็ทําทเพื่อลดละกรรมฐานที่ทําเพื่อลดเพื่อ้านนะไม่ใช่เพื่อได้นะแต่น้าปฏิบัติทำถ้าจับกรรมฐานไม่ถูกนะโดยเพราะบิดัสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐานเนี่ยนั่นะนก็อยากได้โน่นได้นี่ เสร็จแล้วความอยากได้นั่นแหละมันก็เป็นอุปสรรคทําให้ทําด้วยความเครียดเสร็จแล้วก็ท้อเพราะว่าทําแล้วไม่ได้สักทีแม้กระทั่งความทรงก็ไม่ได้อันนั้นเพราะวางใจไม่เป็นถ้าเราวางใจว่าทําเพื่อรู้เฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่ผลักสายไม่ไขวข้ค้อนะอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันนะไม่ปฏิเสธมัน แต่ก็จะไม่หลงเชื่อตามมันจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฉันก็ทําความเพียรต่อไปอันนี้แหละที่มันจะทําให้การปฏิบัติจเจริญก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้าเพราะว่าปล่อยเพราะวางและถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความปฏิบัติเพื่อลดลดความเพ่งตัวเพื่อปล่อยเพื่อวางความยึดมั่น ต่างๆรวมทั้งไม่ปล่อยให้กิเลส ต, ตัณหาเข้ามาคลองใจเนี่ยธรรมะมันก็จะกลืนไปกับเนื้อกับตัวหลายคนปฏิบัติธรรมก็ดูเหมือนกับว่าเฉพาะเวลาอยู่ในรูปแบบแต่พอออกจากการเดินจงกรมออกจากการนั่งสมาธินี่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ได้นะถ้ามีคนหนึ่งนั่งสมาธินะ นั่งสมาธิตลอดเช้าเลยก็นั่งได้ดีนะเป็นการนั่งรวมหมู่เสร็จแล้วพออ่ะเสร็จหมดเวลาจะกลับบ้านเดินมาที่รถของตัวที่จอดอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนโมโหเยนะตะวาดด่าเจ้าของรถคนที่มาขับรถมาขับรถ มาจอดรถซ้อนไม่ให้รถตัวเองออกไปได้เมื่อกี้เพิ่งภาวนาใจสงบอยูนะ่หลงภูมิใจว่าเนี่ยฉันภาวนาได้ดีใจสงบมากแต่พอเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจออกรถไม่ได้โมโหทันทีดา่าขนาคนธรรมดาที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขายังไม่ทำงั้นเลยแต่ว่านักปฏิบัติธรรมงคนทำไมถึงกลายเปรี้ยว อารมณ์เสียขนาดนั้นเมือนกว่าเป็นคนละคนนะอันนี้เพราะว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาปฏิบัติได้ดีที่จริงอาจจะเป็นการกดข่มเอาไว้หรือว่าการเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้มุ่งที่จะปล่อยจะวางนะแต่มุ่งที่จะเอาเต็มที่นะจะเอาความสงบหรือว่าทำด้ความหลงตัวหรืมตนว่าฉันเป็น น, นักปฏิบัติธรรม อันนี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นการขัดเกลาจริงๆเผื่อตัวเมื่อไหร่นะไอ้กิเลสนก็โผล่มาอัตตามก็แสดงตัวทำให้เกิดอากักริยาที่น่าเกลียดออกมาเมื่อซักเมื่อปีที่แล้วนะที่ประเทศอินเดียมันมีพิธีใหญ่พิธีหนึ่งนะเรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นพิธี กุมเมลาหรือเรียกง่ายๆว่าสันซามเมลาของชาวฮินดูนะมีชาวฮินดูมาร่วมพิธีนี่ถึงเจ็ดสิบล้านคนในช่วงเวลาประมาณสองเดือนที่เขาจัดพิธีลิบแ ม, ม่น้ำคงคาเจ็ิบล้านคนนี่มันเท่ากับประชากรไทยเลยนะมารวมกันใน พื้นที่เล็กๆขนาดอำเภอเดียวนึกสภาพอำเภอแก้งครอนอำเภอเดียวนีมีคนเป็น 10-10 ล้านมาชุมนุมมีทั้งที่มาแล้วก็ไปแล้วก็มีทั้งที่อยู่นานๆคือทำกระโจมกลางเต็นท์อยู่โเฉพาะที่กลางเต็นท์นี่ประมาณหลายสิบล้านคนถึง30ล้านคนกลางเต็นท์เพื่อที่จะได้ไปชำระบาปที่แม่น้ำคงคาปีที่แล้วก็จัดที่เมืองอาราบัต ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำคงคาลองนึกภาพนะคนสามสิบล้านคนนี่มาชุมนุมกันมันจะโกลาหลวุ่นวายแค่ไหนนะในที่เล็กขนาดนะั้นแต่พบ ว, ว่าไม่ค่อยมีเรื่องมีราอะไรกันนะสงบราบเรียบไม่มีปัญหาเลยเลยทั้งที่เสียงดังตลอดวันเสียงดนตรีเสียงธรรมะนะแต่พอเลิกพิธีนะคนกลับบ้านพบ ว, ว่า เหยียบกันตายที่สถานีรถไฟตายไป3จาจุกว่าคนบาดเจ็บอีกมากมายให้คนที่เหยียบกันตายทั้งที่ถูกเหยียบแล้วก็เหยียบเขาเนี่ยนะก็รู้แล้วแต่ก็เป็นผู้ที่จารึกแสวงบุญซึ่งเมื่อเมื่อวานนี้เองยังยังอยู่กันด้วยความสงบเพียบร้อยนะถอยทีถอยอาศัยแต่พอเลิกพิธี จะกลับบ้านขึ้นรถไฟมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะแย่งกันจนเหยียกกันตายดูเหมือนกับว่าเราก็ว่าเป็นคนละคนกันเลยนะมันเหมือนกับหนังคนละฉากเลยให้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะตอนที่อยู่ด้วยกันเป็นสิบสิบล้านคนถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อ เ, เกื้อ ก, กูลกันมันมี เขาเคยไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาบอกว่าคนในในที่นั้นนี่เรียบเ อ, อืเ้อเฟือกันดีมากนะโอภาปาศายเห็นคนแก่ก็เรียกว่าแม่แม่แม่มาทางนี้เสร็จ แ, แล้วก็กถามผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยตอนที่เกิดเหตุว่าเป็นเป็นยังไงโอคนนี่ต่างคนนี่ต่างแย่งกันเบียดเสียดกันใครที่ต่างคนต่างก็ถือว่าฉันมีกําลังมากกว่าใครที่มีกําลังน้อยกว่าก็ถูกผลักออกไป พฤติกรรมที่เขาเล่านี่มันเหมือนกับเป็นคนละคนทํานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็คนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละตอนปฏิบัติธรรมหรือว่าตอนจารึกแสงบุญนี่สงบมากเลยแต่พอเสร็จการจารึกแสวงบุญพิธีเลิกนี่มันเปลี่ยนกับเป็นคนละคนเลยคือตัวใครโตมันนะถึงกับเหยียคนตายแลนนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเนี่ยคือเวลาคนที่เขา รู้สึกตัววาตัวเองเป็นนักจาริกสแสวงบุญเนี่ยก็จะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวก็จะมีความเอื้อเฟื้อเกลื่อกูนกันตราบใดที่ยังมีสํานึกว่าตัวเองนี้เป็นนักจาริกสแสวงบุญแต่พอสํานึกตรงนี้หมดไปเช่นพิธีเลิกกลับบ้านนี่สํานึกว่าฉันเป็นนักจาริกสแสวงบุญมันจบไปละเกิดสํานึกตัวใหม่ขึ้นมาแทนที่คือฉันเป็น ผู้ดโดยสารพอนึกว่าฉันเป็นผู้ในยสารเนี่ยก็จะต้องหาทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยเป็นคู่แข่งที่จะต้องแย่งชิงแย่งจริงพื้นที่แย่งชิงเก้าอี้แย่งชิงตัวแย่งชิงบัตรมันก็เลยเบียดเสียดเยียดกันเยียดกันตายหลังจากคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมผู้เจริญสังข์บุญนี่กลายเป็นฆาตกรโดยไม่รู้ตัวได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่า ความไม่รู้ทันนะความไม่รู้เท่าทันในตัวตนที่มันเกิดขึ้นมาคนเราตอนอยู่วัดนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้ภาวานาแต่พอออกจากวัดกลับบ้านนี่กลายเป็นคนใหม่แล้วมีสํานึกว่าตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งเช่นเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายไอ้กิเลสตัวดเดิมก็กลับมา เจ้านายก็จะใช้อำนาจกับลูกน้องท่านที่ตอนอยู่วัดนี่ก็จะเออเฟือเกื้อกูลมีน้ำใจเปลี่ยนกลับไปกลับมาพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปนะเพราะว่าในการปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้เป็นไปเพื่อรักกิเลสธรรมะมันก็เลยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าเราปฏิบัติทําจริงๆเพื่อการปล่อยเพื่อการวางเนี่ยธรรมะมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวแนะม่ออกจากวัดไปกลับไปทํางาน ไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้านายเป็นนักธุรกิจทำมากก็ยังอยู่กับตัวก็ยังทำความดีนะรักษาศีลได้แต่ถ้าเราการปฏิบัติของเรานี่มันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อลดการละจริงๆเนี่ยแต่ทำเพื่อการได้ถึงเวลาออกไปออกจากวัดกลายเป็นคนเดิมหลายคนก็เลยตัดเพราะว่าทำไมปฏิบัติธรรมต้องนานถึงยังมีนิสัยเหมือนเดิม ปฏิบัติธรรต้องนานทำไมถึงยังยังพ่แ พ, พ้ต่อกิเลสตัวเดิมๆอยู่ฉะนั้นเพราะว่าไม่ได้ขัดเกลากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลองพิจารณาดูนะว่าการปฏิบัติธรรมของเราการทําความดีของเราไม่ว่าจะเป็นฐานสี่งภาวนานี่มันเป็นไปเพื่อการลดกันละเพื่อการขัดกเกลากับการปล่อยวางอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือทําเพื่อจะเอาโน่นเอานี้ถ้าทําอย่างล้ำมันก็ไม่ได้ช่วยชาระใจให้สะอาดหรือ สงบเย็นโปร่งเบาเท่าไหร่ชา น, นี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ